50 languages. 27. i p e ในโรงแรมการมาถึง Hotel Nalli. อากมนาคุณมีห้องว่างไหมคะนิมมะ Hotel Nalli วันโคตรดีกางวอีเด ดิฉันจองห้องแล้วค่ะนา u ุวันดูก็ตัดอีนนุกัยดีริสิด เ, ดเนดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะดั่นน่ะเฮสารมิลเล ER ดิฉันต้องการห้องเดียวค่ะนันเกววันตีฮัสิกเกอีรัวคโคเบกดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ จดีฮาสิกอคบคห้องราคาคืนเท่าไหร่คะที่โคนราตรยชตูฮานาุตเดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ น, นัสนาณดอีรคบิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ นางเอกชวาลีรัวโคเนเบคูดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะนาโนโกโทดียนนวมเม่โนดบหุเดที่นี่มีโรงรถไหมคะอิลลี่หัติระดลีแกรเกจอิดเยที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะอิลลี่วนดูติจโริอิดย ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะอินลีแฟกซ์มีชินอิเด๊ยดีดิฉันเอาห้องนี้ค่ะซารีนานูอีโคอตัดยันโน้ตเอกิดุคอลุตเตเนนี่กุญแจห้องค่ะวีกันตะใครกันนนโน้ตเอกิดุคอลลีนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ இல ๋ลีนันน่าเปิดติเกะไกวบริการอาหารเช้ากี่โมงคะลากดีเยสุหติเกะยุตบริการอาหารกลางวันกี่โมงคะมัยหตติเยุตบริการอาหารเย็นกี่โมงคะสัยหติเยุ